สวัสดีครับที่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดอุปมาเกี่ยวกับลูกตอนที่หนึ่งครับพระจนะของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่ยี่สิบแปดถึงข้อที่สามสิบสองมัทธิวบทที่ยี่สิบเอ็ดข้อยี่สิบแปดถึงสามสิสองโปรดฟังข้อพระคุณของพระเจ้าแต่ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไร คนหนึ่งมีบุตรชายสองคนบิดาไปหาบุตรคนแรกว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทํางานในสวนอุ่นเทิดบุตรคนนั้นตอบว่าไม่ไปตายไปหลังกลับใจแล้วไปทําบิดาจึงไปหาบุตรคนที่สองพูดเช่นเดียวกันบุตรนั้นกล่าวว่าไปขอรับแต่ไม่ไปก็บุตรสองคนนี้คนไหนเป็นผู้ทําตามใจของบิดาเล่าเขาทูลตอบว่า คือบุตรคนแรกพระเยซูตรัสตอบเาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านั้งหลายว่าพวกเก็บภาษีและหญิงแทศยาก็เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก่อนท่านทั้งหลายด้วยยอนได้มาหาพวกท่านสอนทางชอบธรรมท่านหาเชื่อไม่แต่พวกคนเก็บภาษีและพวกหญิงแพศยาได้เชื่อฝ่าท่านทั้งหลายถึงแม้ได้เห็นแล้วภายหลังก็ไม่ได้กลับใจเชื่อยอนยินค่ะพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับ เป็นจุดเริ่มต้นในสามตอนนะครับสามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลูกครับอุปมาทั้งสามเรื่องนี้เกิดขึ้นในตอนปลายเดือนมีนาคมระหว่างปีที่สามของการรับใช้ของพระเยซูเวลานั้นใกล้จะถึงเทศกาลปัสการครับเราคงรู้จักเทศกาลปัสกา passover เ, เป็นเทศกาลที่ระลึกถึงชาวอิสราเอลนะครับได้รับการผ่านเว้นโดยที่บุดหัวปีของชาวอิสราเอลนั้นไม่ตาย แต่หุดรัวปีรวมทั้งสัตว์นะครับของคนนะครับทุกอย่างตายหมดครับซึ่งเป็นชาวอียิปต่น้องครับการระลึกถึงเทศกาลตรศรัตรนั้นเป็นเทศกาลหนึ่งในสามเทศกาลที่สําคัญมากชาวยิวทั้งหมดจะต้องเตรียมตัวไปเยรูซาเล็มตามที่พร ะ, ะบัญญัติได้ระบุไว้พระเยซูก็เสด็จเข้ากรุงเยเรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตประชาชนก็สรรเสริญพระองค์อย่างไรก็ตามครับพระองค์ทรงทราบว่าในช่วงปลายสัปดา์พวกเขาจะปฏิเสธพระเยซู ในสัปดาห์สุดท้ายสําหรับชีวิตของพระเยซูนั้นพรงเสด็จเข้ากรุงเยรูเซมอย่างผู้พิชิตในวันอาทิตย์พรงทรงท้างคืนในเบตานีวันรุ่งขึ้นเป็นวันจันทร์ประชาชนก็ยังสรรเสริญพระองค์อยู่และยังพร้อมที่จะฟังคําสอนของพระองค์อยู่ในเช้าวันังคารครับวันต่อมาพวกผู้นําศาสนาก็มารวมตัวกันเพื่ อ, เ พ, อเพื่อจ ะ, ะเผชิญหน้าและต่อต้านพระเยซูมาร์โกได้บอกให้เรารู้ว่า ในกลุ่มผู้นำเหล่านี้มีพวกมหาปุโรหิตพวกธรรมจารพวกผู้ใหญ่ของคนยิวปรากฏอยู่ในมาราคูบทที่11เข้า27นะครับพวกเขาถามพระองค์ว่าท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทําเช่นนีใ้ให้สิทธิแก่ท่านทีนี้ครับปกติแล้วสทิทีิอำนาจนะครับจะต้องมาจากสภาแทนเทสริมซึ่งเป็นสภาที่ประกอบด้วยสมาชิก70คนรวมกับประชาชนซึ่งเป็นมหาปุโรหิตสมาชิกได้รับเลือกจากหมู่ธรรมจารหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของคนยิว พระเยซูทรงทําการอัศจรรย์และทรงสั่งสอนประชาชนโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากพวกสภาเสนต์เปรนอกจากนี้พระเยซูก็ยังไล่พวกรับแลกเงินพวกขี่ขายของออกจากพระวิหารผู้นําศาสนาอยากจะรู้ครับว่าพระเยซูทําสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยให้ได้รับสิทธิอำนาจจากใครเี่นมั้ครับพวกเขาอยากรู้ว่าพระเยซูได้รับสิทธิอำนาจจากใคร เปียชูตอบคาถามโดยแค้อุปมาสามเรื่องครับในแต่ละเรื่องเปียชูทรงถ่ายทอดภาพของพวกผู้นําทางศาสนาในฐานะที่พวกเขานั้นกบฏต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าในคําอุปมาแรกครับวันนี้จะเข้าถึงวลภาพอุปมาแรกก็คือคําอุปมาเรื่องบุตรสองคนคําอุปมาที่เกี่ยวกับลูกตอนที่หนึ่งนะครับคำอุปมานี้เกี่ยวข้องกับชายคนหนึ่งมีลูกสองคนลูกคนแรก เป็นตัวแทนของคนเก็บภาษีหญิงประเวณีหรือหญิงล่วงประเวณีและพวกนอกศาสนาที่เชื่อในสาวอสิฐยอนนั้นได้เป็นผู้ให้แบบมาและยังเทศนาเรียกร้องให้คนกลับใจใหม่ข้อสามสิบสองครับอธิบายว่ายอนเทศนากข่าวเสูรกับกลุ่มชนที่เรียกว่าฟริสีเรียกาฟาริสีว่าเป็นคนบาปพวกเขาไม่ยอมรับความจริงนะครับและพวกเขาปฏิเสธและพวกเขาก็ไม่อยากจะให้ยอนมีชีวิตอยู่ด้วยเหมือนกันแห้เราสังเกตนะครับ เมื่อเราอ่านหรือได้ยินเกี่ยวกับลูกชายทั้งสองคนที่มีท่าทีที่ผิดทั้งคู่ครับเมื่อบิดาขอให้พวกเขาไปทํางานในสวนตะบนคนแรกบอกว่าเขาจะไม่ไปนะครับคําตอบนี้อาจจะทําให้บิดาเสียใจที่คําร้องขอของบิดานั้นถูกปฏิเสธแต่อย่างไรก็ตามครับในที่สุดเนี่ยบุตรชายคนนี้ได้กลับใจใหม่แล้วก็ไปคับตามตามที่บิดาขอร้องส่วนบุตรชายคนที่สองไนดะ้บอกว่าจะไปแต่ไม่ไปนะครับ เปเยซูถามในข้อสาเอบอกว่าบุตรสอนคนนี้คนไหนเป็นผู้ทําทําตามใจของพ่อบิดาผู้นําศาสนาก็บอกว่าคนแรก บ, บุตรชายคนที่สองครับเป็นตัวแทนของผู้ทำำํานําศาสนาครับนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อยอนมาเทศนาาคนกับใจครั้งแรกนั้นพวกเขายอมรับการที่พวกเขาไปเสดคําสอนของเปเยซูก็เหมือนกับบุต ร, รชายคนที่สองที่เปลี่ยนใจทีหลังครับปฏิเสธคําสอนของพระเยซูก็เป็นเหมือนบุตรชายคนที่สองที่เปลี่ยนใจทีหลัง บิดาครับในครามอุ ม, มานี้เปรียบเทียบได้กับพระเจ้าครับสวนนุ่นนั้นก็คือชนชาติอิสราเอลพระเจ้าเรียกอับราฮัมให้มาที่ประเทศนี้นับเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้วเพื่อตั้งชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้าและมีหน้าที่รับหน้าที่ที่จะดูแลสวนนุ่นและพระเจ้าก็มอบหมายพวกผู้นําศาสนามานานนับศตวรรษเช่นเดียวกันแต่พวกเขาเฟลครับพวกเขาไม่ผ่านเปียโูทรงอธิบาย ความหมายขอุมานี้ชัดเจนมากในข้อที่สามสิบเ็ดนะครับระเยซูตัดกับพวกผู้นําศาสนาว่าพวกคนเก็บภาษีหญิงภาษยาจะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าก่อนพวกเขาทําไมครับเพราะพวกนี้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสพวกมหาโอหิตปรีศีธรรมาจาร์พวกผู้ใหญ่ปฏิเสธข่าวระเสริฐในความรอดปฏิเสธข่าวระเสริฐในความชอบธรรมและยังปฏิเสธคําสอนของพระเยสุอิน้องครับบางทีนะครับ ค่อยคำของพระเยซูอาจจะทําให้พวกผู้นําชาวยิวไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะพระเยซูทรงเล่าคําอุปมา น, นี้ต่อหน้าผูงชนจํานวนมากมาครับและพระองค์ทรงให้ภาพพจน์ของพวกผู้นําของพวกเขาในฐานะผู้ต่อต้านผู้ขัดขวางพรวจนะของพระเจ้าชาวยิวนั้นทั้งหมดเชื่อและนมัส ก, การพระเจ้าแต่เขาไม่เชื่อพระเยซูผู้นําส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพยายามนะครับทําตามพระบัญญัติของพระเจ้าแต่ไงก็ตามครับ พวกเขาปฏิเสธพระเยซูในการน่าภาคบุญของพระเจ้าพวกเขาก็ปฏิเสธพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ด้วยในลูกาบที่สิบข้อสิบกครับพระเยซูตรัสไว้นหน้าฟังและห้าจดจำทีเดียวพวกที่ตรัสนี้ครับว่าผู้ที่ไม่ยอมรับเราก็ไม่ยอมรับผู้ที่ใช้เรามาพี่น้องครับอย่าให้เราเป็นเหมือนกับลูกคนที่สองนะครับว่าเห็นก็ดีแต่ไม่ทําครับรู้อยู่ที่สมองแต่ไม่สามารถที่จะทําได้ แต่อยากจะให้พี่น้องที่จะเป็นเหมือนบุตรคนแรกนะครับว่าแรกๆนั้นอาจจะไม่เห็นดีแต่ต่อมากลับใจครับแต่ต่อมาได้แสดงถึงการกลับใจอย่างแท้จริงก็คือการลงมือทําไปทำในอีค์กับในกิจจักรของพวกเราก็ใช้คลึงกันนะครับก็จะมีคนสองกลุ่มก็คือคนกลุ่มแรกบอกว่าขอรับขอรับแต่ไม่ไปครับครับครับดีเห็นดีด้วยครับแต่ไม่ทำครับ อันนี้คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องกลับใจใหม่นะครับเมื่อเรารู้ที่สมองเราจะต้องให้เห็นคุณค่าที่หัวใจของเราและในขณะเดียวกันเราก็จะให้มือของเราหยาบกล้านเพราะทํางานของพระเจ้าพี่านนะครับหากว่ามือของเราไม่หยาบกล้านเพราะทํางานของพระเจ้านั้นแสดงว่าเรารู้เห็นดีเห็นชอบแต่ไม่ทำครับในขณะเดียวกันมีหลายเล็กคนนะครับ ที่ไม่ได้มาจากครอบครัวที่เป็นคริสเตียนแต่เมื่อเขาเห็นพระคุณของพระเจ้าเขาเห็นว่าดีครับเมื่อเขาเห็นความรอดเขาเห็นสวรรค์เขาถือว่าดีและเขาก็เข้ามาและในที่สุดนั้นก็กลับใจและมีชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อก็คือเขาได้ปฏิบัติปฏิบัติออกมาโดยการนําวิญญาณโดยความเชื่อฟังโดยการทําตามที่พระเยซูต้องการพี่น้องครับให้เราถามตัวเองนะครับในวันนี้ ว่าเราทําอย่างที่พระเยซูต้องการจริงๆหรือเปล่าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอย่าให้เรารักพระเจ้าแต่ปากแต่ให้เรารักพระเจ้าที่มือด้วยนะครับอย่าให้เรารักพระเจ้าแต่ที่สมองแต่ให้เรารักพระเจ้าที่หัวใจเช่นเดียวกันขอพระเจ้าเวตาอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน